ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพระเมธยยะและพระภุมิชกะว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอกล่าวให้ภิกษุทั้งหลายเพ่งโทษทัาพระมลรคบทจริงหรือพระเมธยยะและพระภุมิชกะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจา้าทรงตำหนีว่า